หนึวัชเนีย่าปุขละสันทัศนาว่าด้วยการแสดงบุคลคลควรเว้นในวันปวารณากรรมข้อสองริกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาต้องอบัตทุกขกฎในบริษัทที่มีศิกขามานานั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสมณเณรนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสมณเณรีนั่งอยู่ด้วย ในบริษัทที่มีภิกษุผู้บอกคืนสิกขานั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุต้องอันติมาวัตถุนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาต้องอบัตทุกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัต์นั่งอยู่ด้วยรูปใดปวารณาพึงปรับอาบัติตามธรรม ในบริษัทที่มีภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัดนั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวรณาในบริษัทที่มีภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวรณาพึงปรับอาบัติตามธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงปวรณาในบริษัทที่มีบรนดอนั่งอยู่ด้วยรูปใดปวรณาต้องอาบัติทุกกฎในบริษัทที่มีคนลักเพศนั่งอยู่ด้วย ในบริษัทที่มีภิกษุเข้ารีดเดีร์ถีนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสัตว์เดียร์ฉันอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนฆ่ามารดานั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนฆ่าบิดานั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนฆ่าพระอรหันต์นั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีคนทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิตนั่งอยู่ด้วย ภิกษุทั้งหลายไม่พึงปรวรนาในบริษัทที่มีอุปโตพยัญชนกนั่งอยู่ด้วยรูปใดปรวรนาต้องอะบตดทุกกฎเรื่องห้ามปรวรนาในวันมิใช่วันปรวรณาภิกษุทั้งหลายไม่พึงปรวรนาด้วยการให้ปริวาสิกะประวรณาเว้นแต่บริษัทยังไม่ลุกขึ้นภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งไม่พึงปรารณาในวันไม่ใช่วันปรารณาเว้นแต่วันที่สงสามคัคคีภาราวาันที่สองจบ